บททีเจ็ดสิบแปดยซมิจตออสเคำคุณศัพท์หนึ่งปรีดา้าฟเนเมนาเยดนิชกผู้หญิงชาลาหนึ่งคนสตาราเจนาผู้หญิงอ้วนหนึ่งคน ผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นหนึ่งคนรถใหม่หนึ่งคันรถความเร็วสูงหนึ่งคันริรถนั่งสบายหนึ่งคันล ชุดเดรสสีฟ้าหนึ่งชุดชุดเดรสสีแดงหนึ่งชุด er e ชุดเดรสสีเขียวหนึ่งชุด e กระเป๋าถือสีดำหนึ่งใบกระเป๋าถือสีน้ำตาลหนึ่งใบ เฮนิดาตัชกากระเป๋าถือสีขาวหนึ่งใบบียลตัชกาคนใจดีหลายคนมิลิยูดียคนสุภาพหลายคนสตวริลิยูดียคนน่าสนใจหลายคนเซวิมาวิลิูดย เด็กน่ารักมีเลเจติเด็กดื้อดีเจติเด็กดีพอสุขสนะเ